ว่าที่นี่ไปให้สองทีแล้วเข้าพรวนากันจริงๆเลยว่านาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นเลยนี่เยอะมากเลยนะแยกธาตุแยกขันได้ก็มีเห็นคนเข้าภาวนานะก็สงสารนะเห็นคนไม่ภานาเขาอุเบกขาพวกเร า, าทำตัวให้น่ารักหรือให้น่าอุเบกขา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 ในนาทีสุดท้ายที่จะสู้กันสิ่งที่รักที่สุดเลยห่วงแห็นที่สุดเลยทรยศนําความทุกข์มาให้นะจนกระทั่งตายเลยทนไม่ไหวทุกข์มากยิเปรประมาณนะยังหนุ่มยังสาวแข็งแรงรู้สึกร่างกายอยู่ในคําสั่งในอํานาจไม่อยู่รลกดูแลมันแทบตายถึงวันหนึ่งมันทรยศนทําร้ายเรา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 ต้องรีบไปจองไว้ก่อนลาสองวันสามวันนั้นได้ทั้ง 8-9 ดเก้าวันอ่างเงี้ยผู้นิยมมากอย่างนั้นไปวัดไปไม่ได้สุขสบายนะนั่งรถไฟไปนั่งรถทัวร์ไปนะมีต่อรถสองแถวไปเดินเนะบ้างอะไรบ้างไปเส้นสายก็ไม่มีที่วัดทุกวัดนะ่มันก็มีเจ้าพ่อเจ้าแม่นะเป็นปกตินะทําใจไว้ที่ไหนก็มี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 เร่ร่างกายนะถ้าเรารักมากหวงแหนมากนะกลัวทุกข์กลัวยากเราก็เป็นทาตุมันเรื่อยไปเหมือนมีลูกอ่ะกลัวลูกลำบากเอาใจมันมากนะสุดท้ายมันก็ขี่คอเราสุดท้ายก็ทายศ์หักหลังพ่อแม่เอามันมาใช้งานสิใช้งานสร้างคุณงามความดีใส่ตัวเราเอาพามันภาวนาพามันนั่งสมาธินั่งเดินโจงกลมเองปวดหลัง ถือเองไม่นั่งสมาธิเองก็ปวดก็นั่งสมาธิดูมันแยกธาตุแยกขันไปเดินจงกรมเมื่อยถือเองไม่เดินจงกรมเองไปเดินช้อปปิ้งเองก็เมื่อยเดินช้อปปิ้งก็ตามใจกิเลสไปเรื่อย็เดินจงกรมเอาใจแข็งๆนะอดทนก็ใช้มันก่อนที่มันจะใช้ไม่ได้ไม่นานก็แก่นะไม่นานก็เจ็บไม่นานก็ตาย